เป็นยักษ์ก็เค้นฆ่ากันนะเป็นมนุษย์ก็เข้นฆ่ากันเป็นตัดเิลย์ชานก็เค้นฆ่ากันจองเวรกันไปจองเวรกันมานะหรือในสุภาษิตหนังกําลังภายในเนาะแบบก็คล้ายๆแค้นนี้ต้องชาระเนาะแบบชําระสิบปีก็ยังไม่สายแต่แต่ต้องดางแค้นให้ได้นะถือเป็นแบบ